ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องธรรมทาญาติสูตรสืบต่อไปคืออยู่ในช่วงที่พระตกถาาจารย์ท่านอธิบายขยายความโดยตั้งสมมติฐานว่า ทากว่าบุคคลทำตนเป็นอมิสธายาตคือเน้นไปที่ลาภส ก, การะชื่อเสียงอกุศลต่างๆที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นเพราะการตัดสินใจเป็นอมิสธายาตเนี่ยในการบิเริ่มมาจากโลภะจากโมหะ เพราะว่าวัตถุทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกแล้วก็เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยในการครองชีวิตในขณะที่เราอยู่ในโลกแต่พอเราตายจากไปทุกอย่างก็ทิ้งไว้ในโลกเราไม่สามารถจะเอาไปได้แต่ส่วนคุณธรรมภายในจิตเป็นพัฒนาการทางจิต ซึ่งถ้าหากว่าบุคคลรับได้เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในภูมิจิตในภูมิธรรมในภูมิจิตและพบที่จิตจะไปอุบัติเป็นการตบแต่งพบชาติให้มีความประนีตมากยิ่งขึ้นเป็นการเลือกด้วยสติปัญญาไปเหตุด้วยผล แต่ความตน้มเมียงทางจิตของมนุษย์เราที่มากโดยการกินนอนกลัวเพะส่วนใหญ่ไม่จะเน้นไปที่อภิสตหายาทท่านแสดงให้เห็นว่าพอเริ่มต้นตรงนี้กิเลสประเภทต่างๆท่านยกตัวอย่างอุปกิเลสมาสิบสี่ข้อนะครับว่าพวกนี้จะเกิดขึ้น ในลักษณะที่ต่อเนื่องและก็เป็นปัจจัยของกนแอะไรกันวันก่อนได้พูดมาถึงสาธยาคือโอวดเป็นการโอวดคุณความดีที่ตัวเองไม่ได้มีแต่เพราะต้องการเล่าสักการะชื่อเสียงก็ใช้วิธีโอวดาะในการโอวดนั้นพึงสังเกตว่า มันเป็นมุสาวาทอยู่ในตัวของมันก็่มาความมาพูดเกินจริงเป็นการเสริมความจากเรื่องเล็กๆไปเป็นเรื่องใหญ่แล้วบางทีก็เป็นการสร้างเรื่องขึ้นคือตัวเองไม่ได้มีหรอกแต่ก็สร้างขึ้นเป็นการโกหกที่ซ้อนโกหกมนลุกลามไปจนเป็นมุสาวาท เป็นการผิดศีลนะฮะแต่อย่าลืมว่าที่จริงมาเริ่มต้นจากกุปกิกเลตอุปกิกเลตเป็นเรื่องของความคิดภายในใจแต่พอมีปริมาณเข้มข้นขึ้นมันก็ออกมาเป็นมุสาวา่ o เาเกิโอเวดประการโอเวดนั้นจะต้องออกมาทางกายก็ทางวาจามนอยู่ภายในใจใครก็ไม่รู้หรอกแล้วก็ดูเฉพาะอาการของมัน นี่เพราะอะไรเพราะว่าต้องการเป็นอมิสถายะตแล้วท่านบอกว่าเธอปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าได้ลาบตามที่ประสงค์มันก็กลายเป็นมานะถือว่าเรามีลาบถ้าฟังลองสังเกตาอาการเหล่านี้มันก็นคือเป็นกระบวนการทางจิตแบบมีตัณหาเนี่ยในตัณหาท่านอธิบายไปสามช่วงคือหนึ่งโปโนโปวิกา อยากได้นี้อยากได้นั้นอยากได้นอนขึ้นไปเรื่อยๆก่อเกิดความมีความเป็นไปเรื่อยๆนันดิรากะสากตาจิตจะสารคตด้วยความกำบหนัดแต่ก็ความเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองได้และการได้ตลอดถึงสารสถานะของตัวเองที่เป็นผู้ได้แล้วก็ตตะตตราพินานนีจะเพลิดเพลินมากยิ่งยิ่งขึ้นไป จิตใจก็จะกระด้างนะฮะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้มีเหมือนที่ตนมีที่โบราณท่านเล่าเรื่องกิ้งกาได้ทองนะเราจะเห็นว่ากิ้งกาตัวอื่นมันไม่มีทองแขวนคอมันไม่ก็ไม่เกิดมาณนะความกระด้างความเยอะจิงความโอ้อวดแต่ว่ากิ้งกาอีกตัวหนึ่งมันเกิด มีทองแขวนคอขึ้นมามันก็เลยเยอะอดิงโอ้โอวดมานะกระด้างแข็งดีกิเลสมาเป็นพรวนนะฮะไม่ใช่มาข้อเดียวหรอกให้เราลองสังเกตดูพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเช่นปัญหาเดรกรรมทั้งหลายเช่นการปล้นค่าขบคืนเผาบ้าน ขึ้นการปล้นนั้นมันเกิดขึ้นจากโลภะแล้วก็โมหะโลภะแรงแรงจนกรรมกับผู้ควบคุมไว้ไม่ได้ก็ออกมาในรูปของการปล้นพระถ้ากรรมกับควบคุมโลภะได้มันก็แสวงหามาในทางที่ชอบทําได้พอในขณะที่เราแสวงหาในทางที่ชอบทำที่ยริงเราก็มีโลภะแต่อยู่ในกํากับผควบคุมพราะไปปล้นจะทัพย์ เขาก็ต้องต่อสู้ต้องป้องกันต้องกัดขวางพวกนี้ก็โกรธไม่ยอมให้ตามที่เขาอยากได้ก็กลายเป็นฆ่าเขายังไม่สาเกตใจยังไม่สมแ้็นเลยก็ไปกลงขืนเขาแล้วก็ยังไม่สะใจเผาบ้านเพื่อทำลายหลักฐานต่างๆ เราเห็นว่าเป็นอาการของกิเลสที่ต่อเนื่องแต่ว่าเวลาเราพูดเราพูดเฉพาะผลซึ่งเกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านั้นเราไม่ได้ศึกษาสืบสาวไปถึงเหตุตา้งคาถามดูซิว่าตรงนี้ถ้าคนไม่โลภแบบงงๆนี่เขาจะทำอย่างนี้ไหมเหตุการณ์อยนี้จะเกิดขึ้นไหมมันก็ไม่เกิดแต่ที่มันเกิดเพราะใจเขาโลภ แล้วก็โลภจนกำกับควบคุมไม่ได้ไม่ได้มองถึงผลกระทบจากการกระทาหรอกมองเฉพาะสิ่งที่ตัวเองจะได้เดียวจะยกตัวอย่างปลาหุบเหยื่อสัตว์ที่ติดปิด ก, กับดักต่างๆจะมีลักษณะอย่างงั้กิเลส ก, ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านยังบอกว่า ถ้าปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถ้าได้ลาบตามที่ประสงค์ย่อมเป็นผู้ที่แข็งกระด้างมีจิตใจไม่อ่อนโยนเพราะลาบนั้นหมายความาคนที่มีลาบมากกว่าคนอื่นก็จะกระด้างมานะว่าเรามีลาบมากกว่าคนอื่นและถึงจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นอติมานะคือดูดูบินคนอื่นว่า เป็นผู้ที่ใครๆไม่สามารถจะว่ากล่าวได้เพราะหนักขึ้นเนี่ยพูดไม่ได้เฮ้ยฉันมีทรัพย์มากกว่าเพิ่นลองสังเกตว่าคนมีอำนาจคนรวยคนมีความรู้สูงๆไม่ค่อยฟังใครหรอกเพราะมาณนอะวิชช์ฉันมีความรู้มากกว่าฉันมีทรัพย์มากกว่าฉันมีอำนาจมากกว่า ประวัติศาสตร์ได้บ่งบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำซากในโลกมนุษย์แต่พระโมหะปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้คนก็คงไหลไปอย่างนั้นแหละแก้ไขให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ยากนอกจากแก้ไขเฉพาะตัวปัจเจกชนทั้งหลายดัยงนั้นก็จะโต้เถียงนะ คือกลายเป็นธรรมพะคือมานะเนี่ยอติมานะก็กลายเป็นธรรมพะคือหัวดือ้อบอกว่าท่านไม่ควรทํากรรมอย่างนี้เึงใครจะเตือนเนี่ยว่าท่านไม่ควรทํากรรมอย่างนี้เขาก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันเกิดธรรมพะคือหัวดื้อขึ้นมาทีนี้จากหัวดื้อเนี่ยจากมานะจากหัวดือ้อแต่ถ้าจะไม่จะมีใครว่ากล่าวอะไรเธอว่าท่านไม่ควรทํากรรมอย่างนี้ เพราะเป็นผู้มีจิตใจปรารมคำกล่าวนั้นก็ะทำหน้านิวคิ้วก็หมวดพูดข่มขู่ว่าท่านเป็นอะไรกับผมก็เกิดสารพัดคือแข็งดีเื่อกล่าวตักเตือนอะไรไม่ได้บางทีพระนเนที่ดื้อนี่เราเจอผมก็เป็นพระเหมือนกับท่าน ได้มีสิทธิ์อะไรมาว่าผมออกไปโน่นเลยพืดเขาไม่ได้ฮนะเลวร้าสุดผมก็คนเหมือนกันคุณก็คนคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าผมกลายเป็นการสารพัดคือแข็งดีเพื่อนคนบางคนเวลายังเยาวอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีเหตุให้กระตุ้นมานะแต่ก็ยังมีนิสัยอ่อนโยนอยู่ แต่ว่าพอมีตัวกระตุ้นให้เกิดมานะเนี่ยจิตใจของเธอก็จะกระด้างแข็งกร้าวทำให้พูดจาอะไรก็มายอมเชื่อถือกันนี่ก็เพราะอะไรเพราะว่าเป็นอามิสถายาตจิตมันไม่ได้พัฒนานะฮะจิตมันถูกทับถมไว้ด้วยโลภะด้วยมานะ พูดง่ายว่าตันหามานาทิเตยมันถูกจำกับด้วยตันหามานาทิเตะพอต่อจากนั้นเนี่ยเพราะความหัวดื้อเนี่ยรื้อรันเนี่ยเธอจะสำคัญตัวอยู่ว่าเรานี่แหละดีกว่าคนอื่นเป็นผู้ถือตัวเพราะอะไรเพราะแข็งดีเรียกับมุทุคนอื่นว่าพวกนี้เป็นใคร เป็นผู้ถือตัวอันนี้เป็นมานะเพราะถือตัวจนถึงก็อติมานะเกอดดูมิ่นคนอื่นคนนี้นานมาแล้วที่เคยเล่าตัวอย่างพระชันนะพระชันนะเป็นสาชาติกับพระพุทธเจ้าเป็นมหาเล็กที่รับใช้ใกล้ชิดติดตามองค์พระโพธิสัตว์ตลอดระยะเวลายี่สิบเก้าปี จนตามเสด็จตอนพระโพสต์ออกพนวดในการต่อมาท่านก็ออกบวชแต่ก็ไม่บรรลุมรคผลอะไรเพราะมันกลางมันใหญ่มากมันมีความผู้สื่อศาสนาเนี่ยเป็นสมบัติของเราคนอื่นเป็นผู้อาศัยทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระลูกเจ้าของเราพระธรรมพระลูกเจ้าของเราก็จสรู้มา พระสงฆ์นี้เป็นใครมาจากไหนโดยจะพาะไปเล่นงานประสาริบุตรพระโมกกาลานะะสาริบุตรมกกาลานะเป็นใครมันก็เศษสวะลอยนะ้ามาติดริมทะเลประสาริบุตรพระโมกกาลานะตักเตือนอะไรท่านไม่ได้นะมันก็ด้างไม่จะเล่นผลเกินเตือนท่านได้คนเดียวคือพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ว่าเวลาพระเจ้าห้ามอย่างหนึ่งท่านจะทําอีกอย่างหนึ่งห้ามอย่างหนึ่งท่านไ่ทําอีกอย่างหนึ่งห้ามอย่างหนึ่งท่านไ่ทำอีกอย่างหนึ่งไม่เคยล่วงละเมิดหรอกแต่ว่าลบไปทําอีกอย่างหนึ่งก็ต้องตามแก้ปัญหาที่ประชาชนะสร้างขึ้นมาเลยสร้างความปริวิทตกให้เกิดขึ้นในสังคมมนุษมากเพราะอย่าลืมวากระเทือนนะ องค์กรสงหรือองค์กรคณะอะไรก็ตามที่มีคนผิดปกติอยู่สักคนนี่มันปวนะ่วนนะหวั่นไหววิตกกังวลกันด้วยกันเมืเราสังเกตว่าตอนพ ร, ระพุทธเจ้าไปนิพพานเนี่ยพระนนแทนที่จะห่วงใยเรื่องอื่นๆทึ่งท่านก็แสดงห่วงใยอยู่หลายเรื่องนะแต่ว่าคนที่ท่านห่วงใยในองค์เดียวคือพระสานญนะ กราทูลถามว่าพระองค์นิพพานไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงกับท่านฉันนะเพราะท่านันนะท่านไม่เชื่อใครท่านไม่เคารพใครนอกจากพระองค์ผู้ได้รับสั่งให้ลงพรหมทันเป็นการเป็นกรรมที่รับสั่งให้ทำคนเดียวคือท่านจะหกขเมเรนดีรังกายยังไงทำไปเลยแต่ฉันไม่พูดด้วย ไม่มีใครพูดไม่มีใครมองไม่มีใครใครสนใจกับท่านแต่ว่าในการต่อมาก็ไม่ได้ทำหรอกเพราะว่าท่านรู้สึกตัวตอนพระพุทธ้านิพพานนะฮะท่านก็ลดหมดที่จะยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องสร้างความกลางของตัวเองแล้วตอนพระพุทธานิพพานท่านไม่ได้อยู่ในที่นิพพานท่านอยู่ที่โกสัมพีพอเสร็จเรื่องประนวนก็ไปพบ เดินทางไกลไปพบนะแล้วก็แจ้งพระพุทธรรมรัชให้ฟังในท่านช็อกเลยขอโอกาสพระนนท์ไม่ยาพึงลงสงฆ์ยาพึงลงพระมทัทธขอเวลานิดบัณ เ, เมตยนมลุมักผลเป็นพระอาหารหนะันต์นะเพราะมานานี่มันเกี่ยวไวนิดเดียดนองไปไม่รอรอเพราะมานาเป็นตัวใกล้ต่อนิพพานมาก ถ้าทำลายมาน่าได้ทำลายอุทจจะได้มาน่าได้เนี่ยก็อภิชาเขาถูกทำลายเพราะอเกิดมาน่าขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้มันก็เกิดอติมานาคือดูมินทีนี้เธอเย่อมเกิดความเมาหลายแบบความเมาในลักษณะต่างๆเนี่ยเมาในพระชาติชาติกูลสูง เอาในานามส ก, กุลนะฮะนามส ก, กุลส ก, กุลนั้นสกุลนี้่ที่จริงแนวตรงนี้มันผู้ส ก, กุลเนี่ยคือถ้าเราสร้างจิตสานึกที่จะช่วยกันรักษาเจอเจอชูส ก, กุลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโนธรรมสำนึกแต่ว่าถ้าส ก, กุลเป็นเหตุแกะด้าง มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเพราะว่าการตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของดินน้ําลมฝอยอากาศด้วยกันเธอจะสกุลสูงยังไงมันไม่สูงจริงหรอกถ้าจิตเธอไม่สูงมันไม่สูงจริงอะไรอย่างที่ท่านสนังกุมารพรมได้กล่าวไว้ว่าคัตโยเสโทชเนเณตสมิงเยโกตปฏิสาริโนวิชาจนะสัมปโนโสเสโทเดวมานุสิ ในหมู่คนที่ยังรังเกียจกันด้วยซาดด้วยโคดกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะเนี่ยประเสริฐสุดกว่าหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะเราเจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณะพระเจ้าจึงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครสูงกว่าพระองค์ด้วยพระคุณ คาราทมาพรมยังมายอมเป็นลูกศิษย์นะนั่นคือแสดงให้เห็นความจริงว่าในแง่ของความจริงเนี่ยชาติสกุลไม่ใช่ตัวกําหนดหรอกมันเป็นกติกาของสังคมเฉยอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีสูงสุดรัสเซียในประธานาธิบดีสูงสุดอังกฤษเนี่ยกษัตริย์สูงสุดออาแครั่งเศสประธานาธิบดีสูงสุดอิตาลีอัปประธานาธิบดีสูงสุด อวตาิการอาโปภสูงสุดอะไรเนี่ยก็ระเห็นว่าก็อยู่ที่การสมมติเท่านั้นน่ะตัวจริงๆนั้นคือจิตที่สูงเหนือกิเลสอันนั้นคือสูงจริงแต่จิตอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมของกิเลสมันมันมันสูงไม่จริงก็จริงเธอก็เป็นธาตุเป็นธาตุของมานะเป็นธาตของอติมานะคือดุมินคนอื่น เพื่โอกาสที่จะเอาชาติเอาสกุลเอากําเนิดเอาความรู้เอารูปร่างเอาศิลปะเอาฐานะทางสังคมเอาเงินทองอ ะ, ะไรต่างๆเนี่ยมามากระด้างเนี่ยมันได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่เราสังเกตว่าพวกนี้ยถ้าเราเทียบเคียงแล้วเหมือนกับการเล่นละครเวลาเธอสวมบทบาทตรงนั้นเท่านั้นจริงๆ ผลสมบัตินอกกายเหล่านี้ก็อยู่กับเธอในขณะที่เธอยังไม่ตายเท่านั้นพอเธอตายไปแล้วเธอเอาไปเงื่อนขายอะไรไม่ได้เลยสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมของมันเพราะคนจะเสมอกันด้วยกรรมเป็นกษัตริย์ทําชั่วตกนรกเป็นเศรษฐีทําชั่วตกนรกเป็นขอทานทําชั่วตกนรกเป็นกษัตริย์ทําดีเกิดสวรรค์เป็นเศรษฐีทําททดีเกิดสวรรค์เป็นถั ด, น ร, น, ด น, ร น, นรก ลำดีเกิดสวรรค์เราะนั้นบางอย่างที่เราไปดูในเทวตาสังยุตว่าคนจนในชาติก่อนเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอุทารมานพกับพระเจ้าปยาสิพระเจ้าปยาสิเป็นกษัตริย์อุทารมานพเป็นลูกน้องรับใช้บรหิหารจัดการโรงทานของพระเจ้าปยาสิ อุตรมามนุษย์ทำงานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัยพระเจ้าปายาสีก็ทำแก่นแกนไปงั้นเองในสุภตายเนี่ยพระเจ้าปายาสีเกิดในเสด็จกาวิมานโดดเดียวเดียวด้ในขณะที่อุตรมามนุเกิดสวรรค์ชันดาวดึงึงเห็นไหมว่าในแง่ของสังสารวัตเนี่ยมันไม่ใช่ข้อยุติและในแง่ของสังคมเองก็ไม่ใชคข้อยุติ นั้นเปลี่ยนแปลงไปเ ร, รื่อยะคนเกิดมาสกุลสูงที่ท่านบอกว่ามืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็เป็นวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับกระแสของกิเลสของขอ ง, ของธรรมะภายในใจของเขาอันในในตรงเนี้ยทา่านแสดงกระบวนการของกิเลสว่าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดแล้กิเลสทั้งนั้นน่ะสกุลเดียวกันทั้งนั้นเลยมากับเป็นแถวเลย ทีนี้เมื่อเธอปรารสชาติกำเนิดของเธอเป็นต้นเนี่ยเธอเมาก่อกย่อมประมาทกับเพลิสติในวัตถุทั้งหลายที่แยกประเภทออกไปมีการมคุณเป็นต้นอันนี้เป็นมะท่าคือความเมาพอเมาก็ประมาทพอเมาก็ประมาทเมื่อคนเมาเหล้าเนี่ไม่ประมาทเมารูปก็ประมาทเ ม, มาเมวัายก็ประมาท เมาชีวิตก็ประมาทเมาความไม่มีโรคก็ประมาทดันรวมความว่าด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยเธจะไม่พ้นไปจากการอา m i ต h a y a t ไปได้นักศึือสาพึงทราบธรรมที่ต้องละในการเป็นอมิธธาาตัฏญานโดยธรรมที่เป็นบาปเหล่านี้และโดยธรรมที่เป็นบาปเหล่ออื่นส่วนอุบายและเหตุละ ก็บ้าโดยบาลีเราจะเห็นว่าเตุให้ละได้ก็คือเจริญไปในอริยมรรคอุบายวิธีสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องชัดเจนต้องเห็นโทษของกิเลสชัดเจนต้องเห็นคุณของธรรมะชัดเจนพิ่านเรียกว่าประกอบด้วยโกศลสามประการคือเดงอายโกุศล มีความฉลาดในทางเจริญมีความชัดเจนในทางเจริญอปายโกศลฉลาดใ น, นทางเสื่อมมีความชัดเจนตรงนี้คือทางเสื่อมแม้บางครั้งบางคราวอะไรละ่ะเขาเรียกว่าแจ็คพอตคนอาจจะถูกสลากินแบ่งหรือถูกหวยรัฐบาลทั้งร้อยกว่าล้านแต่ว่าหนึ่งในกี่ร้อยล้านล่ะที่ถูกได้เนี่ย แล้วถ้าคนคนนี้เอาเงินที่ตัวเองเสียไปจากการซื้อสลากตั้งแต่เริ่มต้นซื้อมาเนี่ยมันได้กำไรเท่าไหร่เพราะคนนี้จึงยังหลีกเลี่ยงความเป็นอบายมุกไม่ได้แล้วมันคงเป็นอบายมุกอยู่นั่นเองเพราะถ้าหาว่าคนเรามีความชัดเจนมันก็เหมือนกับ เรากินอ้อยที่มีรสหวานแต่ถ้าข้างล่างมันเป็นพิษเนี่ยเราก็ตายมันหวานได้นิดหน่อยก็ตายผลลัพธ์สาคัญในการมองตรงนี้ก็คือการเป็นอามิสถายาตนั้นครอบครองชั่วคราวด้วยความประวัตพรั่นพรึงวิตกหงวลห่วงใหญ่กลัวภยัยกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการครอบครอง ราใครครอบครองอะไรก็ตามที่เป็นโลกวัตถุเนี่ยไม่สงบหรอกแต่ถ้าครอบครองธรรมะอิธรรมะอยู่ภายในจิตจิตมีความสุขมีความสงบมีความเยืกเย็นมีเมตตากรุณาเป็นต้นเนีมันก็จะเกิดความสุขความสงบแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ภพชาติเราต่อไป ดันั้นท่านก็แสดงถึงความแตกต่างลำดับและวิธีแห่งความเจแห่งการเจริญท่านบอกว่าผู้ศึกษาควรทราบความแตกต่างลำดับและวิธีการแห่งความแห่งความเจริญโดยบายวิธีเป็นเครื่องละดังต่อไปนี้มัชชิมาปฏิปทาเนี่ย ได้แก่มรรคซึ่งบางครั้งก็มีองค์แปดบางคราวก็มีองค์ 7. เจ็ดประมรรคนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยโดยอำนาจของปฐมฌานที่เป็นโลกุตระย่อมีองค์แปดที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจฌานที่เหลือย่อมมีองค์เจ็ดในที่นี้เป็นการอธิบายอย่างถึงขั้นสูงสุดตัณยิกาวว่า อริมักค์แปดโกมักที่เกินจากนั้นไปไม่มีักศึกษาพึงทราบความแตกต่างกันไว้เท่านี้ก่อนจากนั้นท่านก็อธิบายในกระบวนการของอริยมักให้เห็นว่าตัะเอฏิสมาธิถิเประเสิฐที่สุดในบรรดากุศลธรรมทั้งปวงสมาธิถิเป็นปัญญาสิกขา เป็นตัวหลักในการทำลายาวิชาสารพันปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี่สืบเนื่องมาจากาวิชาแต่เราแก้ที่ตัววิชาไม่ได้เนี่ยเราแก้ปัญหาต่อมาไม่ได้แต่เราลดความเข้มข้นของวิชาลงไปได้ปัญหาในการต่อมาก็จะลดข้นี้ลองสังเกตที่เราพูดถึงคุณภาพของประชากรภายในชาติ ในด้านการศาารึกษามันมีการพูดถึงปัญหาเรื่องความรู้ปัญหาเรื่องความคิดปัญหาเรื่องความสามารถและปัญหาเรื่องคุณธรรมทั้งหมดมันก็มาจากความความรู้ความคิดความสามารถคุณธรรมก็จะกลายเป็นปัญหาตามไปแต่ถ้าแก้ตัวไม่รู้ให้เป็นรู้พอรู้ดีความคิดก็ดีความสามารถก็ดีคุณธรรมก็ดี หรือว่าปัญหาที่เกี่ยวกับประชากรส่วนหนึ่งค่อนข้างมากปัญหาก็เกี่ยวกับความไม่รู้ความยากไร้โรคภัยไข้เจ็บและขาดการวางแผนครอบครัวพอดูไปดูมาจริงๆก็ตัวไม่รู้น่ะเป็นหลักและเวลานี้เราก็ยังแก้ปัญหาเรื่องความไม่รู้ไม่ได้ จากการศึกษาปฏิรูปอะไรรุงรังพันเ ต, ตแต่จริงๆแล้วไปเน้นประโยชน์ของครูนะของผู้บริหารได้ตำแหน่งใหญ่ๆโตๆกันเยอะเลยนะพวกข้าราชการสี่ขีดนี่เดินตามคันนาเยอะเลยเกลื่อนไปหมดนะไปต่างจังหวัดเวนี่ขีดนี่เต็มบาไปหมดการมันผู้ใหญ่บ้านก็ขีดเยอะเลยอบอตอก็ขีดเยอะเลยมันคล้ายๆกับยอนต้นนะ เป็นยุคเจ้าขุนมุนนายแต่บ้านแต่เมืองไปหมดใช้คนมากแต่งานไม่มีประสิทธิภาพปัญหาต่างๆยังไม่ได้ลดอะไรลงไปเลยปัญหาเรื่องความไม่รู้ก็ยังรุนแรงปัญหาเรื่องความยากร้ายก็ยังรุนแรงปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ยังรุนแรงปัญหา ช, อช่อฉนคอร์ชั่นต่างๆก็ยังแรงนะปัญหา ขาดการวางแผนครอบครัวก็แรงแต่เรื่องการวางแผนครอบครัวเนี่ยถึงทีมันก็เกินเหตุเกินผลเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มีฐานะดีมีทรัพย์สินเงินทองเยอะที่จะส่งเสริมสนับสนุนเลี้ยงดูลูกเต้าให้เจริญเติบโตเป็นสักเป็นสีเก่วงศ์สกุลเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยมันก็ควรจะมีมากหน่อย ก็ อ, อย่าลืมว่าความมั่นคงของประเทศมันอยู่ที่ประชากรซึ่งมีความเป็นหนึ่งเดียวกันทีนี้ถ้าประชากรเกิดความแตกแยกอาศัยเชื้อชาติอาศัยศาสนาเนี่ยประเทศชาติก็มีปัญหาประเทศไทยต่อไปนี่มีปัญหาแน่นอนมีปัญหาในเรื่องความแตกต่างในด้านจำนวนประชากรที่นับถือศาสนาแตกต่างกัน แมในขณะนี้นะฮะจำนวนประชากรพุทธเดี่ยมากกว่าศาสนาอื่นเยอะแต่ก็ถูกศาสนาอื่นรังแกโอรัดโอเปรียดตลอดชาวพุทธจะเรียกร้องอะไรก็ไม่ได้ผลนะศาสนาอื่นไม่ต้องเรียกร้องหรอกทุนหัวทุนกล้าให้ไปเลยนี่แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงพยาคติคือความลำเอียงเพราะความกลัวกับสันญาคติ คือความลำเอียงเพราะมุ่งหวังคะแนนเสียงจากกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วก็โมหากติคือความลมเอียงลำเอียงเพราะขาดเหตุผลขาดสติปัญญาเพราะาการบริหารบ้านเมืองนั้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทางแผ่นดินไม่ใช่เพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แต่การทำอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะมันแสดงอาการของฉันทากติกับโมหากติก์่นนอนตามปกติแล้วพวกอคติเนี่ยจะเอาชนะได้ยากเพราะความผูกพันในด้านลึกของคนเนี่ยมันผูกพันกันด้วยความรักความสั่ง โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือผูกพันกันด้วยความรักแต่ความชังก็มีความรู้สึกที่เป็นปฏิปัติต่อกันก็แสดงไปใจถึงกันแต่ว่าถึงก็ด้วยความชังในขณะเดียวกันสัตว์โลกนั้นมีความรักตัวถนอมตัวการกระทำอะไรก็ตามที่เป็นการเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายเสี่ยงต่อชีวิตคนก็จะกลัว แล้วก็หาทางออกให้แก่ตัวเองไม่ได้ในสุดก็นำไปสู่ปัญหาคือเลือกประพฤติปฏิบัติเพราะบนเส้นทางของความเป็นธรรมท า, าติยามจะต้องอาศัยพื้นฐานของความฉลาดรอบรู้โดยเฉพาะมีความเป็นชอบที่ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนี่คือความเป็นชอบ เรากระบวนการคิดการทำการพูดของคนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่ความเป็นชอบเรืองคำถามที่เราต้องถามว่าเรื่องนี้คุณเห็นยังไงคนเราจ้าเห็นชอบได้มันก็คิดชอบได้เห็นชอบได้มันก็พูดชอบได้เห็นชอบได้มันก็ทาชอบได้เห็นชอบได้มันก็เลี้ยงชีพชอบได้เห็นชอบได้มันก็ความพยายามก็จะชอบเห็นชอบได้ การตั้งสติก็จะชอบเห็นชอบได้เนี่ยสมาธิก็จะชอบดังการเป็นธรรมทายาจึงต้องหนักที่ตัวสมาธิคือปัญญาเห็นชอบก็ในแง่ของความเป็นสังคมแง่ของความเป็นโลกิยะแง่ของการตกแต่งภพชาติเป็นนีพ ตแต่ใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตรคงจะสลัดพลังของกิเลสไม่ได้หมดแต่ควรจะลดความเข้มเ ข, มข้นของกิเลสเหล่านั้นให้จางคลายลงไปแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่การพยายามขัดเกลาลังกิเลสเหล่านั้นให้เบาบางโดยหลักการสำคัญ คือปัญญาเนนชอบที่เป็นพื้นฐานคือพื้นฐานของชีวิตเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับกรรมเพราะว่าลีลาชีวิตที่จริงเป็นลีลาของกรรมผลที่เกิดขึ้นภายในชีวิตของคนเราแต่ละคนแต่ละขณะเป็นรหัสกรรมที่มันเป็นไปตามประแสะกรรมที่ บุคคลทำพูดคิดออกไปปถ้าคนมีความเห็นชอบในเรื่องกฎของกรรมได้การจเจริญกุศลก็จะเกิดการงดเว้นอกุศลก็จะติดตามมาโดยธรรมชาติปยันที่บอกไว้ว่ า, วาความฉลาดาที่ต้องใช้เนี่ยมันมีทั้งสามเรื่องแต่ตามปกติแล้วเราก็รู้จริงๆเนี่ยสองเรื่องเรารู้ เรารู้อะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญเคยคุยกับคนที่ขายสลากินแบง่งถามว่าการประกอบอาชีพอย่างนี้ดีไหมเขาก็บอกว่าไม่ดีหรอกแต่ความรู้ก็เท่านี้แหละก็ไม่รู้ทำมาหากินอะไรแต่เมื่อทำมาหากินอย่างนี้ก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ ที่บ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยได้เขาก็คิดเฉพาะในปัจจุบันซึ่งก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การเห็นใจแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไปนเน้นที่กระบวนการของกรรมนมันก็เป็นเรื่องที่ควรแก่การงดเว้นหลีกเว้นหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีก คงประกอบอาชีพแต่ทำยังไงให้ผิดกฎหมายน้อยลง ต, ตรงนี้ในแง่กฎหมายก็อาจจะไม่ผิดนะแต่ในแง่ของธรรมะแลวมันผิดในแง่ของอบา ย, ยมุกก็เป็นการหมอมเอาคนอื่นเป็นเนตดให้คนอื่นต้องสูญเสียแล้วก็ที่จริงพวกนี้มันก็ถ่วงสังคมนะ ทำไสังคมก้าวไปอย่างช้าๆแกก้าวไปยากมันก็สะดุดชะงักอยู่เรื่อยๆหั้นสมาธิที่จําเป็นจะต้องมีมากก็คือว่าต้องเชื่อในกระบวนการของกรรมเจรนญมาเชื่อว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิติกรรมต่างๆมีผลการกระทาดีทําชั่วของคน แม้แต่ด้วยความคิดหรือแสดงออกทางกายหรือแสดงออกทางวาจามันก็เป็นกรรมและเมื่อเป็นกรรมแล้วเนี่ยผลของกรรมก็จะต้องเกิดขึ้นตามทุกวนกิเหตุของเขาการเชื่อของกรรมทำให้เราเชื่อในผลของกรรมและก็การที่เราเป็นเจ้าของผลที่เรียกว่ากรรมสกตาสถาัทธา เราก็ต้องเชื่อในความเป็นสังสารวัฏเข็นชอบในความเป็นสังสารวัฏว่าพ่อมีคุนแม่มีคุนโลกนี้มีโลกหน้ามีสัตว์ที่ยังมีกิเลสตายแล้วต้องเกิดอีกก็เชื่อในความมีอยู่ของสังสารวัฏแต่ว่า พ, พื้นฐานการครองชีวิตของคนนั้นยิ่งย่อนแตกต่างกัน กรรมก็จะเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้ภูมิจิตภูมิธรรมพบ พ, พิจิตอุบัติชาติตระกูลรูปร่างหน้าตาต่างๆของคนนีแตกต่างกันออกไปในขณะเดียวกันเรื่องบางเรื่องมันลึกซึ้งและเมตดละไมา ย, ยากต่อการที่จะยังรู้ด้วยใจสามัญชนธรรมดามันก็ต้องเชื่อในพระปัญญาเครื่องสสรูของพระพรุทธเจ้า ก็เป็นการปรับความเห็นของเราให้ยุติด้วยพุทธจริยายุติด้วยหลักธรรมยุติด้วยอริยะจริยาคือการครองชีวิตการดำเนินชีวิตของพระอริยะทั้งหลายหรือถ้าเราพูดถึงชีวิตต้นแบบในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เป็นชีวิตต้นแบบ แต่ในขณะที่เรามีการครองเรือนเนี่ยนะมีการครองเรือนเราจะเห็นว่าอย่างผู้หญิงเนี่ยอาจจะเอานางวิสาขาเป็นต้นแบบผู้ชายอาจจะเอาท่านนาธิบินกาเศรษฐีเป็นต้นแบบแล้ดึงคุณสมบัติเด่นเด่นของแต่ละท่านเนี่ยซึ่งควา่จริงก็เป็นธรรมะแต่ว่าท่านปฏิบัติให้เราดูละมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตพอเราทำอย่างนั้นเนี่ะ มันก็กลายเป็นธรรมทายาเป็นผู้มรรับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้าปัญหาใหญ่ในบ้านเมืองเราเวลาเนี่ยไม่ว่าวงการการเมืองรือวงการศาสนาเราจะเน้นที่อมิธธาาตรทายาทนี่มากเป็นเน้นที่ลาภที่ยศที่สันเริญ ไม่ได้มองไปที่สุขซึ่งเกิดขึ้นจากจิตสงบจากกิเลสไต้มองความสุขแบบสนุกไปเกาะกลุ่มอยู่กับพวกอมิตรทั้งหลายมีรถหรูๆก็เป็นสุขมีบ้านใหญ่ๆก็เป็นสุขมีของเล่นใหญ่ๆก็เป็นสุขมีเครื่องประดับประดาตกแต่งต่างๆก็เป็นสุขได้ท่องเที่ยวได้ไปพอเห็นอะไรต่างๆก็เป็นสุข ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสุขที่ไปผูกโยงไว้กับอาิต t h จะเรียกว่าอาิต t h สุขพ อ, อนีเปลี่ยนเนี่ยเราก็เป็นทุกข์เย่นอย่างเช่นที่จะเรียกว่าปิยวิปโยคด้วยการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็นำความทุกข์มาให้ เดีถ้าเราตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราพลาดพราดเป็นอะไรก็คือเป็นอามิตรเป็นวัตถุสิ่งของที่เราไปมุ่งหมายไม่ให้เกิดการพรัาดพลาดสูญเสียโดยไม่ยอมรับความจริงว่าธรรมดาของมันคือต้องพลาดพลาดสูญเสียแต่เราก็ไปฝืนกติธรรมดาไม่ต้องการให้พลาดพราดสูญเสียพอมันเป็นอย่างที่มันเป็นเราก็ทันใจไม่ได้ ยอมรับในเรื่องนี้ไม่ได้เาการพักราสูญเสียก็เกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์ให้เราสังเกตว่านี่คือสืบเนื่องมาจากเราเน้นที่ความเป็นอามิทายาทแม้แต่เรื่องอะไรล่ะชัะ้นยศตำแหน่งต่างๆในวงการคณะสงฆ์เนี่ยมันมีการตื่นเต้นมีการติดตามกัน เ ก, กือดคร้าก็เป็นกิจกรรมหลักอย่างหนึ่งนะอย่างในช่วงนี้เริ่มจะมีข่าวปรบปรายแล้วมีเสนอใครเป็นใครอย่า ง, งไรไรดแต่ไรต่างๆพอแถวปลายกันยาตุลาต้นตุลาเนี่ยเริ่มมีเกระแสข่าวสารขึ้นมาพอแถวกลางพฤศจิกายนี่ค่อนข้างชัดเจนเรับรู้กันแพร่หลาย ทันวาก็ไปรับกันพอจากนั้นก็ฉลองก็ไปโน่นไปถึงเมษาเราไม่ค่อยได้เน้นนะครับอยากเป็นแต่ไม่อยากทำอยากมีแต่ไม่อยากทำกแล้วปัญหาเรานี้เป็นปัญหาคาแผ่นดินจริงๆคือเราอยู่ในที่ใดก็าตามจะเจอลักษณะอย่างนี้ คนอยากเป็นกันเยอะอยากมีกันเยอะแต่ไม่ยอมคลัางเหตุเพื่อให้ต้นได้มีในทางที่ชอบให้เป็นในทางที่ชอบนั้นแสดงให้เห็นว่าพื้นจิตมันไม่ประกอบดโดยธรรมัญญาญาแต่ว่ามุ่งไปสู่อมฐฐิตตญาะทีนี้เมื่อขาดธรรมะแต่ยังต้องการเป็นต้องการมี การเป็นการมีก็ออกมาในถังที่ทุจริตบ้านเมืองเราจเจริญขนาดไหนแล้วการศักจเจริญขนาดไหนแล้วการเผยแพร่ของาศาสนาธรรมเนี่ยกว้างขวางขนาดไหนเราเปิดฟังในการวิทยุมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธอิสลามคริสต์เนี่ยจะเผยแพร่มากทั้งสื่อใหญ่ๆเนี่ยในร่องลงมาก็เป็นคริสต์ แต่พฤติกรรมของบุคคลภายในสังคมก็ยังเน้นที่ความเป็นอมิตรทายาทไม่ไดเน้นไปที่ธรมรมทายาตลอดถึงการสแสดงความเคารพนับถือกันก็มุ่งไปสู่อมิตรไปตั้งคำถามว่าเราจะได้อะไรจากท่านสแสดงมือที่ตาจิตนี่จะได้อะไรไปเผาศพจะได้อะไรไปแต่งงานจะได้อะไรมันดูมันได้ไปหมด แม้แต่การทำบุญนะะเราจะเห็นว่าการเข้าวัดความทำยำสินของคนมันก็ไปนเน้นไปที่ตัวอมิตรมีพระเครื่องแจกไหมมีหนังสือแจกไหมมีอะไรแจกไหมมีน้ำบุญไหมมีพระศักดิ์สิทธิ์ไหมนะบนแล้วคลังไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉนั้นแตเรามองถึงคนที่เข้าวัดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าวัดเพื่อทำ แต่เข้าวัดเพื่ออามิตบางครั้งบางคราวแม้แต่คนที่เข้าไปเป็นกรรมการวัดก็มุ่งตัวอามิตคือผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้จากการเป็นกรรมการวัดอาจจะถึงเวลาที่จะต้องพิจารณาทบทวนแต่ ว, ว่าใครจะเอาลูกกระพูนไปปลูกขอแมวว่าถึงคราวแล้วยังที่เราจะมาหันกลับมาเป็นธรรมทายาทกัน อย่าไปเน้นที่ความเป็นนามิสถายาิเลยทั้งฝั่งทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศ ร, รยีปุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี